กำหนดหยุดธรรมดาหาไหนาสบายนั่งขอมานี่็รู้สึก ค, ความอยากจะฟูดมีควาอยากมันก็คือ้มีรสชาติการฝูดจะ ด, ดีมีวาสนาในการฝูดธรรมะเห็นดูแต่น่าจะไรมามเคยมีความอยาก มันจำเป็น เรดิมในเป็นของสำคัญการปฏิบัติตัวเพื่อธรรมะการปฏิบัติธรรมะเพื่อตัวเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทุกคนที่จะต้องสนใจ เพราคนเราทาไมมีธรรมะคนไม่แปลกอะไรสกัดการคิดปรุงการแตะทาการพูดนี่เอหัวไหลไปตามเรื่องของโลกที่ ค, คนไม่มีธรรมะแคนมีธรรมะภายในใจการคิดตัวดีการพูดตัวดีก า, ด ก, ดการทำตัวดีเรื่องของโลก สองยุติก็เหตุดใดเพราะมันฝ่าฝืนกับเรื่องธรรมะเหลเรื่องธรรมะถ้าเทศในคนเทศเซินไปตามเรื่องของโลกมันก็เทดง่ายเทศถูกวิเลศของคนเทดง่ายแต่มันคิดอัดทำถ้าเทศเรื่องอัดทำ คนฟังไม่เคยใส่ใจก้อนฝ่าพื้นกิเลสเกิดมาก็าไม่เคยใส่คิดจพอะไรมาเดืองธรรมะฟังแล้วก็เบือ่อฟังแล้วก็ไม่เพลินปูดไปเรื่องของโลงเกเพลินเหตุนั้นเรื่องของโลกจึงดึงดูดจิตใจของมนุษย์ทั่วไปในหลังไหลไปสู่เรื่องของโลก เราจะเห็นได้ไ ง, ง่ายเขามีเพลงมีหม้อลำมมีละครมีลิเจอะไรส้ดในงานต่างๆ ท, ท, ทั้งๆที่ลำบากยากเย็นขนาดไหนก็ต้องไปหรือหนังในโรงก็เหมือนกัน้าผ่ า, านประตูก็ต้องเจียบค่าอยู่ยัดเยี่ยตึนขนาดไหนก็ยินดีเต็มใจ วัดวาศาสานาเปิดประตูอ่าอยู่ทุกเวลาที่พักผ่อนหย่อนใจสะดวกสบายหนังสตลมัลาไม่มีอะไรไมาเกี่ยวข้องยุ่งเยิงถึงกระนั้นก็ยังไม่เต็มใจกันอยากจะถดบ้าฟังอยากจะประพฤติปฏิบัติเพราะมันฝ่าฝืนดานจิตใจของเขา พวกเราทุกคนดันดลพามาสู่วัด น, นี้ต่างท่านต่างคนพอมาอยู่ในกิ่นนี้มาจากต่างประเทศก็มีและคนอยู่ในวัดนี้ดูเหมือนจะหลายจังหวัดแต่คนจังหวัดตะกลนหายเดียวมาจากจังหวัดต่างๆสุขเทษชนบุรีไรดอง ปุรีเชียงรายหลายแห่งขบลนเด็กทุท <c oughs> หลายจังหวัดขอนแก่นก็มีมีเป็นเรื่องพวกจีสแสวงหาวิเวสแสวงอัดทรรมที่เข้ามารวมกันเป็นกลุ่มก่อนเพื่อศึกษาขอวัดปฏิบัต ในใจมาดูสถานที่ทัศนาจรหรือมาเผื่อบำรุงกิเลสมาประเพื่อปฏิบัติอรรัรทมสำหรับตัวฉะนั้นระยะเวลาที่มาทักษาอาศัยร่วมกันทวงพาการีเปร่งขวันขวายในตามเพียนให้หนักแน่นเข้าไปเพราะเรื่องการอยู่รวมกัน ไม่เป็นของกีรังอย่างยืนไม่แน่นอนไม่ทันจากไปเราจากทันไปเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่กอนอื่นที่เราจะจากกันเวลาอยู่เราจะต้องมีความดีเป็นเครื่องระลึกยึดหน่วงน้ำใจกันเพราการประพฤติปฏิบัติ มุงหน้ามุงตาศึกษามุงหน้ามุงตาสำรักจิตมานะของใจการประพึติปฏิบัติถ้าหากไม่เห็นอัตธรรมศรัทธาสามเชื่อก็ไม่เปิดขึ้นถ้าเห็นอททัตธรรมภายในตัวประพฤติปฏิบัติได้รับความสงบสงัดสะดวกสบายจิตใจไม่วุ่นวาย ก็กวนตัวเองแต่ถ้าทําเชื่อเกิดขึ้นทวามเชียนหลังไหลมาเพราะเห็นผลขึ้นจากตนของตนสี่กับทำบาเพ็ญแต่เป็นปกติผู้ที่ทำหน้าที่อะไรไอ้ว่าทำไรทำนาหรือทำราชการงานเมืองต่างๆ ทำอะไรมันก็ต้องมีอุปรสรรคแล้วก็เห็นการงานของตนที่ทำไปพอสมควรใจของพวกเราท่านเคยสงบสงัดเคยกระหนึปฏิบัติต ร, วรวมรๆ ร, รูเห็นมิตรต่างๆในบางการบางสมัยเพราะอำนาจสติของเราปัญญาของเรายังไม่เพียงพอ พอไปิดพบเข้าจิตใจยอมตื่นเต้นยินดีเพิดเทินในความเป็นของสูขตรอเคลไปก็อเคลไปบางทีก็ชั้งๆกงที่เรารักษาขาวัดปฏิบัติทุกอย่างคงเส้นคงวางแต่ความเสื่อมของใจมันก็เกิดขึ้นเคยทำได้ไม่ได้ เคยเป็นเคยเห็นเคยรู้ไหม่เป็นใม่เห็นใหม่รู้เกิดตามขยายใจน้อยใจต่ำใจมีเรื่อต้นทางมันเดินไปแบบนี้ต้องโดนทุกคนทําเสื่อมความเจริญของใจบรรดาผู้จีบเป็น ทันาปัญญาทุกขาปฏิปทาทันชาปัญญาคือปฏิบัตททิญ า, ท า, ร, ารู้ชาจะต้องโดนเรื่องเหล่านี้แต่ถึงอย่างไรก็ดีเมื่อเคยเสื่อมเคยเจริญอยู่บ่อยๆจะเป็นเครื่องศึกษาเป็นเครื่องแนะสอนตัวเองปัญญาจะต้องเกิดขึ้น ในตัวของตัวเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นจับใจของตัวเองเมื่อมันเจริญขึ้นเราก็เคยเห็นมันเจริญแบบนี้นานไปมันเสื่อมไปแบบนี้เราก็เคยเห็นอยู่เรื่อยเราเลยตื่นเต้นหน้าที่ของเสื่อมของเจริญมันเกิดขึ้นมันดับไป หน้าจี่อของเราจะเพติปฏิบัติอย่างไรเร่งแต่ทำบาเพ็ญตามหน้าจี่อของเราอย่าไปเสียใจในสิ่งที่ล่วงไปอย่าไปขาดหมายในสิ่งที่ยังไม่ได้ไม่ถึงปัจจุบันของใจควรที่นิพิจารณาอะไรที่นิพิจารณาอยู่นั้นพอใจเคยเสื่อมเคยเจริญเคยเห็นเคยเป็นเคยรู้ ได้อุบายจากการกำหนดพิจรารณาทราบแน่นอนในใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิงนั้นต้องเสื่อมไปได้พอมีการเกิดจะต้องมีการสลายสิ่งที่เกิดไม่ได้เชื่อมไม่ได้เสียไม่ได้คืออะไรนั่นจุดสําคัญของนักปฏิบัติจะเพื่พฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็น สิ่งเหล่านั้นแล้วเลยไม่ตื่นเต้นหรือเสียใจเพราะการเสื่อมการเจริญหน้าขี้นีอย่างไรประเภทปฏิบัติหนักแน่นตรงไห น, นส่วนนั้นในทรงจิตไปอดีตอนาคตพอคิดไปแล้วเรื่องเสื่อมมันก็เสื่อมไปแล้วจะให้มันดีวิเศษขึ้นอีกอย่างไร เหมือน ก, นกันกับเราคิดถึงอาหารที่เราเคยทานมาอันนั้นอร่อยอร่อยแต่เราทานมาแล้วทายออกแล้วไปคิดเท่าไรทมอิ่มน้ำสํารานก็จะไ้เกิดเรามีอะไรที่จะทานทานกันไปการที่ารนาทำภายในใจกองทานองนั้นอะไรที่สัมผัสกับใจในปัจจุบัน พิจรารณาอยู่นั้นความเสื่อมมันก็เสื่อมไปแล้วความจเจริญ ม, มันก็จเจริญไปแล้วรารู้อีกกระทับเข้าเวลาเราจเจริญใครหามาให้ความจเจริญของใจส่วนนั้นเราทําอย่างไรจิตใจจึงได้รับความจเจริญของใสจิตใจจึงได้รับความเบาความสะบายเดี๋วเราทําอย่างไรมันถึงเสื่อมถึงเสียไปใครสมยของเราออกไป เวลาได้กับใครหามาให้เวลาเสียกับใครขโมยไปนั่นไม่มีอะไรเสื่อมอะไรเจริญนั่นเป็นอาการอันหนึ่งของจิตต่างหากไม่ใช่ตัวจิตจริงจิตจริงไม่ได้เสื่อมไม่เจริญไปตามส่วนเหล่านั้นไปจับทับใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งนั้นจะต้องเสื่อมจะต้องสลายไปแล้วก็ไม่หวานไหว เห็นตามเป็นจริงหนาที่มีอย่างไรทำอย่างนั้นไม่ใช่เสื่อมจะเสียใ จ, จเจริญจะดีใจนั้นจิตยังไม่เข้าถึงอาจทำจริงจังยังไม่ดีรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างผรทัญยะทจ่วาใดดวงตายเห็นทำสิงได้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจะต้องมีการแตกสลายหรือเสื่อมไปเป็นธรรมดา ยังไม่ถึงขั้นนั้นจิตใจจังมีการเสียใจมีการดีใจถ้าถึงขั้นนั้นไม่มีในทางเสียใจดีใจหน้าที่นี่อย่างไรก็ระพฤติไปการหน้าที่องตนจิตเมื่อเข้าถึงเรื่องเหล่านี้จริงจังภายในตัวแล้วไม่ได้ทำนู่นไม่ได้งมนออะไรสัมผัสใจประพฤติปฏิบัติอยู่เรื่อยไป แล้วความเป็นความเห็นความรู้ต่างๆมันเกิดขึ้นตามระยะตามเวลาของมันแล้วก็มันดับไปตามเหลืองของมันสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเรายังไม่เห็นถึงอ่อยแต่คลุกเง า, าหากเราเห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคืออะไรมันหมดปัญหา ท, นทีนี้พี่เจรินาศึกษาประพฤติปฏิบัติเพราะสิงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของเราตามเสื่อมเขาก็บไปใบาศก์เขาเสื่อมตามเจริญเขาก็บไปใบาทก์เขาเจริญแต่เราไปสมมติมั่นหมายจริงได้ที่เราชอบเราก็ดีใจสิงได้ที่เราไม่ชอบเราก็เสียใจ เลยคือการดีใจเสียใจเป็นเรื่องเสื่อมเลื่อนเจริญความจริงเรื่องเหล่านี้ผู้มาเพื่อปฏิบัติก็มีก็เห็นก็รู้เหมือนกันแต่มันเห็นต่างกันรู้ต่างกันเห็นเกิดมาจากเหตุอื่นเรื่องอื่นภายนอกมันจะเห็นเกิดขึ้นจากตัวของตัว ดังนั้นการปฏิบัติจงทีนี้พี่เจรณาจงรักษาจิตใจของตนอย่าให้วิ่งวุ่นเกี่ยวข้องกับเรื่องอดีตอนาคตอะไรทั้งผัดอยู่ในตัวทีนี้ที่เจรณาอันนั้นพเจรณาไปพเจรณาไปใจจะรู้เห็นตามเป็นจริงข้า เพราะสิ่งทั่วไปมันไม่มีอะไรที่จะหลงนอกจากจิตจิตอันเดียวเท่านั้นทำให้ยุ่งทั่วโลก <c oughs> เดี๋ยวไปคิดปรุงอย่างนั้นคิดปรุงอย่างนี้เพราะไม่มีสติรักษาไม่มีปัญญาแนีสอนตัวแล้วก็ไปกล่าวสู่เรื่องนอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ตัวโจรจริงๆคือจิตไม่เห็นเรื่องนี้จับโจรผลที่สุดก็เลยผลเลยรักเรื่อยๆไปทําให้บ้านเมืองวุ่นวายผัดพล้องตัวโจรตัวจิตตัวกิเลสตัณหามันอยู่ภายในมันไม่ได้อยู่ภายนอกหากเรารู้เห็นเรื่องของมันจริงจัง เราไปจับตัวมันถูกเมื่อจับตัวมันถูกมันอยู่ในกามือของเจ้าหน้าที่ถึงตดนคนนั้นจะเคยป้นจี้ถาดตีอะไรต่ออะไรจีบปาฐมากปิดตามถ้าอยู่ในมือกามือของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จับคุมคุมตัวได้มันจะไม่แสดงกิริยาอะไรไปอีกจิตใจที่เคยดื้อดึง นึกคิดขัดข้องอุ่นวายก่อทำนองเดียวกันเพราะกิตนั้นยังไม่ได้ถูกสติปัญญารักษาคุ้มครองมันจึงนึกคิดติดตามเรื่องนอกๆ น, น, น, นั่นนี่นี้ถ้าหากถูกสติคุ้มครองรักษาปัญญาในสอสกษรอยู่แล้ว ยังใจคิดขึ้นภายในใจจะเยี่ยมออกมาหรือจะพูดตามภาษาของชะว่าสังฐานปรุงเท่านั้นทันสติปัญญารักษาอยู่ตลอดเวลาสติตตาปัญญาขมเหมือนแขกยามเป่าประตูผู้คนที่ผ่านออกผ่านเข้ารู้จัก สติระยะนี้เป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาไม่ต้องทําถ่าหรือตั้งห่ากําหนดมันเป็นอัตโนมัติของมันเองมันรักษาอยู่อย่างนั้นยิ่งเป็นเรื่องภายนอกเรื่องของกิเลสตัณหามันจะเทียนใจจะเทียนหนักเรื่องภายในเรื่อง อาจเรื่องทำมันสัมผัสอยู่ทุกระยะที่จะไปคิดปุงเรื่องนอกๆนอกนานะไม่มีมันสัมผัสอยู่อย่างนั้นเราไม่มีโอกาสเวลาที่จะไปเกี่ยวเกาะหวกพันกับเรื่องของโลกนี่เปเรื่องอาจเรื่องทำตั้งอยู่ตลอดเวลาทําอันนี้เกิดขึ้นทําอันนี้ดับไปทีนี้พี่เจริญนาอีอย่างนั้นนี่เคยจิตเข้าขันละเอียด ไม่มีการกำหนดมันเป็นไปเองเป็นอัตโนมัติของมันจะว่าเสื่อมหรือว่าจเจริญอย่างที่เราปฏิบัติใหม่หมันมันไม่เป็นไปแต่เรื่องกิเลส ย, ยังไม่สิ้นจากจิตมันก็รู้อยู่ถึงละเอียดขนาดไหนก็รู้ก็ทราบว่าเรายังไม่หมดยังไม่ใช่ดีมุดหน้าที่ พิจรารณาอย่างไรกับพิจรารณาไปอยู่อย่างนั้นเหมือนกันกน เ, รเราตัดต้นไม้ถึงมันโดนจะขาดแล้วแต่ต้นมันยังไม่หักในันโคนลงไปเราก็รู้ว่าตัดอยู่นั้นจนมันโค่นมันหกักมันขาดเมื่อใดมันก็นหมดจะไปตัดมันอีกทําไมการปฏิบัติใจกับทานองนั้นปฏิบัติเข้าไปพิจรารณาเข้าไ ป, าาาไปกำหนดเข้าไป ในเดือวิสัยจะเห็นจะรู้แต่บางครั้งบางทีพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันเกิดความรู้เกิดความสว่างสวัเกิดความสุดเพลินในปัญญาของตัวส่วนนึกอยากรู้อยากเห็นหน้าของกิเลสตัณหามันเป็นอย่างไรมันจะมาทําให้จิตใจหวั่นไหวเอียงๆ อ, อีกไหมคิด หาเรื่องที่จะมาหายใจลุ่ ม, ลมหลงหายใจกำหนิดมันก็ไปเกิดขึ้นพอเรามีสติกะปัญญาคมแต่ก็อย่าไปเชื่อมันคนที่ปฏิบัติใจบาง่ันบางคนบาถ์านีอสุภะอสาุสังในใจแล้ว คงจะสบายอย่าไปคิดว่ามันจะสะดวกสบายอาสุภาอาสุภังกับสุภามันอันเดียวกันเพราะอาสุภาตกไปสุภามันก็เกิดขึ้นสุภาคือความงามมันเกิดขึ้นนี่เป็นจิตในขั้นที่ปฏิบัติใหม่ๆเรื่องใจ ขาไปได้อสุภาษะหรออยาไปไหว้กิเลสมันจะหมดจะข้ามเรื่องของกรรมไปได้มันมีเหล็ดลับของใจคนที่ได้อสุภาษะเก่งตายไปนับไม่ได้ตายจากเหตุเพราะเหตุใดพรนอนใจแต่เรามีอสุภาษะแล้วที่จะอะไรนะอะไรพอเห็นแต่หลางกระดูกเห็นแต่พร้อมแต่ตีกูนจะ่ไปกำหนัดยินดี เกิดเพลินทำไมเลยตายใจนอนใจคอใจว่าจิตของตัวข้ามไปจากเรื่องลาะแต่ความจริงแล้วยังยังไม่ข้ามยังจะข่มขี่เอาไว้พราอพิจารณาไม่ได้เกิดร้อนรนตะวนตะวายเลยไปกันใหญ่จิตที่ยังไม่ฝึกอบรมปฏิบัติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งความกําหนัดยินดีความ มีกิเลสรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อเรามาปฏิบัติรู้เห็นมาพอสมควรพอมันเสื่อมไปจิตใจรู้สึกว่าเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่าคนธรรมดาเหมือน ก, นกันกับคนที่มีเงินทองเขายังไม่เคยรวยสักที เขาก็พอไปพอมากินได้นอนสบายแต่คนรวยแล้วเกิดทรัพน์นั้นมีบัตรไปเสียใจใหญ่ถึงจะมีเงินมีทอามพอสมควรอยู่ก็รู้สึกว่าจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายมากนี่ปูดถึงคนพูดถึงสัตว์เสือธรรมดาอยู่ป่าเสือเป็นสิ่งที่คนหนากลัวมันก็กลัวคน ไม่ค่อยทรมารเห็นคนมันกลัวแต่เสือที่ไปถูกคนยิงเขา้าแต่มันไม่ตายนั่นแหละร้ายที่สุดีิเรลตัญหาของเราก็เหมือนกันถ้าข่ามันไม่ตายละ่ะมันร้ายมันกลับกับตัวเองใหตรับความทุกข์ความเดือดร้อนทัน่อว่ากรรมฐ า, านแตกเคยเห็น เคยได้ยินพระผีที่นี้ที่ารณญนาอสุภาก็มาฐานเกงๆทีเขาเสื่อมไปศึกไปเพราะตายใจนอนใจเขาใจว่าจิตของเราดีวิเศษแล้วข้ามไปได้แล้วจากราคาตันหาแต่นานๆนมาทำไม่ได้อย่างทีเคยทำก็เลยเสียใจ คนอยู่ไม่ได้เห็นอะไรก็ชอบพอยินดีไต้หมดนี่เมื่อเวลามันเสื่อมันเป็นอย่างนั้นแต่นั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติอย่าไปตายใจนอนใจพิจารณาแก้ไขมันจะเป็นไปอย่างไรมันยังพิจารณาได้อยู่เรื่องของลูกต้องพิจารณามันเมือ่อเวลามันพอเรื่องขูกมันเป็นอย่างไรนั่นไม่มีต้องมีใครบอก จะต้องรู้จักจะไปพิจารณาอะไรเรื่องรูกมันเป็นอะไรธาตุขันเราเป็รู้จักอยู่แล้วสมมุติว่ายญิงชายหนุ่มสาวไม่ใช่เรื่องของจริงใครเราไปสมมุติส่วนเหล่านั้นไปยินดีส่วนเหล่านั้นส่วนเหล่านั้นมันเพียงอาวุธถ้าเราไปเอาไปประหารประหารอาวุธมันก็อยู่ตามเรื่องของอาวุธ มันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรผู้ที่เอาไว้ประหารทหารมันก็เกิดโทษเกิดทุกข์ขึ้นผิดกฎหมายขึ้นเห็นเด่นในตัวว่าเรื่องรูปนี้เพียงแต่สมมุติเพียงแต่ก่อนอันหนึ่งซึ่งจิตมาอาศัยไม่ใช่ผู้ที่จะหลงไหลที่จะไปนรกสวรรค์นิพพาน รูปอันนี้เรื่องอันนี้อะไรเล่ามันลหลงไหลส่วนเหล่านี้ที่ไปสมมติว่า ด, ดีว่าชั่วว่าสวยว่างามเกิดกำลัดยินดีมันรู้มันคอยใจเมื่อรู้เราจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของรูปมันมางเองต่อยเองตอนนี้นอนใจได้เตือนใจจะไปติดข้องกับรูปต่างๆด้วยความเสืมเสี ย, ยที่จะ มาเกี่ยวข้องกับรูกมันนหมายมาเกี่ยวอีกเพราะมันไปจักโดยการที่นี้ที่รนาของตัวถึงมันเคยจีดข้องมาอย่างไรแต่เมื่อไปถึงจุดนั้นมันจะไม่จีดข้องมันจะปล่อยวางจะสมมติขึ้นมาท่าไหนมันก็รู้เพราะมันสมมติขึ้นความจริงมันเป็นอะไรมันรู้จักอยู่มันถึงไม่หลงเรื่องของู้เรื่อง ของเสียงต่างๆสิ่งที่มาสมมติมันไหมเป็นใครกันแน่นั่นแหละมันจะติดตามที น, ทนี้นพี่เจริญน่ะเคยจะแก่ไขตัวนั้นแต่ถึงขนาดนั้นจิตใจที่ไม่เกี่ยวข้องผัวพันกับเรื่องรูปเสียงภายนอกมันก็ยังไปเพลิดเพลินกับความสุขความสบายของมันติดเข้าไปภายใน กำนักตเต็มใจยินดีใส่คิดในเรื่องความละเอียดของใจติดสุ ข, ขเวทานาถึนจึงให้พิจรารณาเหมือนจงพิจรารณาได้พิจรารณามันไปมันพอเป็นอย่างไรนั่นไม่ต้องบอกจะต้องรู้จักมีหน้าที่ของผู้ปฏิบัติอย่าไปหลงหลเอาง่าย เวลาเสื่อมก็จะไปเสียใจเวลาดีก็จะไปเสดจเชิญจนลืมเห็นลืมผลหน้าที่ของตนจะต้องประพฤิปฏิบัติอย่างไรป็ะพิปฏิบัติไปไม่เหลือวิสัยทำของพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติมาสาวกถั่วไปเคยชาระสาสางจิตใจของท่านเคยรู้เห็นเป็นจริงได้ เราทั้งหลายก็เป็นมนุษย์เหมือนกันรีบเรื่องค้นคว้าประพฤติปฏิบัติมีสติสอบสืบจิตใจอยู่สม่ำเสมอคิดอย่างนี้เป็นทางอาจทางธรรมเป็นทางสมระสาสางหรือเป็นเรื่องเพิ่มเติมเส ร, มเริมต่อเรื่องกิเลสควรหรือไม่นักปฏิบัติอย่างเราจะไปคิดไปปรุงในเรื่องเหล่านี้ต้องมีสติ และปัญญาแนสอนตัวเสมอไปถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็รักษาง่ายจิตใจไปสถานที่ใดก็ดูแต่จิตใจใจของตัวสม่ำเสมอเพราะชั่วดีต่างๆทายนอกไม่เป็นปัญหาเท่ากับจิตใจของตัวที่ไปสมมุติมั่นหมายหรือว่าชั่ววันดีต่างๆถ้าหากเรา รักษาจิตรักษาใจไม่ให้ไปคขยจิตติดเรื่องภายนอกสังวรระวังอยู่สม่ำเสมอความละเอียดของจิตจะละเอียดเลื่อยไปผลที่สุดความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นจากการที่นิสิตจรณ า, าของตนแล้วคนแบบนั้นสร้างทรรมอยู่ตลอดกาลคือทรรมที่เกิดขึ้น และดับไปภายในใจของตัวไม่ต้องไปฟังจากคนอื่นเรื่องของใจมันเป้นอยู่อย่างนะที่ท่านเอามาเทศมาแน่มาสอนท่านก็เห็นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้เอามาจากที่อื่นสาหรับตำราที่มาบัญญัติเอาไว้แปด0มืนี่พันพระธรรมขันธ์เอามาจากจิตจากใจทางนั้นที่มาเขียนกันไม่ใช่ได้มาจากที่อื่น เมื่อเราพิจารณากายใจของเราก็ได้ชื่อว่าเราศึกษาอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี้ยสอนดีชั่วยาบละเอียดที่เรียนประเภทไหนเกิดขึ้นจากกายจากใจเท่านั้นไม่ได้เกิดมาจากที่อื่นจึงควรศึกษาในกายในใจของตัวไม่ต้องไศึกษาที่อื่นถ้ารู้เรื่องของตัวชัดเจน เห็นประจักแล้วเรื่องของโลกทั่วไปมันก็ประจกักมันจะเป็ประจักอย่างไรหรอกโลกมันกเกิดขึ้นจากใจของเราที่ไปสมมติมั่นหมายเรารู้เรื่องของเราชัดเจนเห็นไ ป, นปจกักสิ่งที่เป็นรูปจะเป็นต้นไม้ภูเขาหรือเป็นสัตว์ประเภณไหนก็าตามมันเป็นไปอย่างไร อันนี้จังไหมทุกขังไหมอนาจตาไหมของเราเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอย่างนั้นมั่นก็ทั่วถึงกันทั้งโลกยังดูแต่ตัวของตัวคนเดียวเท่านั้นดูเห็นเป็นจริงแล้วโลกทั่วโลกมันเป็นจริงไปหมดเหมือนกันหมดมันเลยหมดสงสัยถ้าหากลง ตัวของตัวหลงกายหลงใจของตัวโลกมันก็หลงไปพอใจมันเป็นผู้หลงดังนั้นการศึกษาการปฏิบัติใจจึงเป็นของสำคัญควรมองข้ามจะต้องปฏปฏิบัติทีนี้ที่เจรานามันคิดปรุงเรื่องอะไรดีช่วยอย่างไรเป็นเรื่องํำละหรือเรื่องหามาเสริมเติมก่มมอทุกข์ใส่ตัวเอง ชนิดที่เจอนะในอย่างนั้นเสียวันเสียเวลาคิดอะไรก็าตามเรื่องมันไปจะได้ผลได้กําไรหรือจะขาดทุนไม่ได้คํานึงบวกล บ, บดูเป็นแต่อากาศจินยาเดินก็ทําท่านั่งก็ทําท่าแต่ จ, จิตปรุงไปตามกิเลสตัณหาหรือเป็นไปเพื่อธรรมะไม่ได้สอบสื่อไมไ่คิดบัญชีกัน เลยเพียงแต่ทำอยู่อย่างนั้นคิดถูกดีชั่วอย่างไรเลยไม่ได้เรื่องสุดสอบเหลี่ยมองตัวสม่ำเสมอดีชั่วมันไม่มีอยู่ที่อื่นสุดรวมที่นี่ที่จจอไงนาอิกใจมันตำร่าได้ขัดได้ห า, าหาันเหลือวิสัยเราพระพุทดธดเจ้าหรืออรหัตอรหันต ที่ท่านเก่าไว้ตามตำหรับตำลาไม่มีถ้าหามันทำไม่ได้ขัดไม่ได้ดีวิเศษไม่ได้มันจะมีมาจากที่ไหนนีม่มันทาได้แต่ด้วยอำนาจกิเลสกลุ่มลุมจิตใจมันถือว่าเหลือวิสัยมันถือว่าเป็นของใหญ่ของโตมันถือว่าเป็นของศรีนากรูวสิ่งที่มันลาบากยากเย็นกว่านั้น ที่มันยินดีมันก็ยอมยอมทาแต่เรื่องที่จะให้มันดีมันเด่นมันไม่ยอมต้องมังครับบัญชาเหมือนเราขึ้นภูเขามันต้องลำบากยิ่งรากเขยนข <c oughs> องหนักขึ้นลำบากมากหากปล่อยลงมาจากที่สูงมันง่าย มันไหลลงเองนี่จิตของเราที่จะควรกระแสเข้าไปหาอาจทำมันก็ต้องลำบากแต่คุณค่ามันมีขาไปถึงที่ถึงฐานอยู่ที่ต่ำที่ลุ่มเราก็เคยอยู่มานมนานแล้วจิตใจที่เคยหลุ่มหลงพวกพันตามเดือดทองโลกความสุขความสบายแค่ไหนเป็นอย่างไร พก็พอพิ จ, จรารณาได้การเรียนายตายเกิดของเราทราบในได้ว่าจะยังอีกกี่พบกี่ชาติจึงจะถึงที่สุดวิมตุตได้เราจะยังจะยอมเกิดยอมตายยังจะยินดียองฝ่ายช้าทั่วปฐพีตัวทั่วแผ่นดินอยู่หรือแล้วการเร่งรีบขวนขวายสอนจิตสอนใจ ขมคืนจะทำความดีถึงจะยากลำบากมันก็ยังมีจุดหมายปลายทางที่จะจบสิ้นได้ไม่ได้เกิดได้ตายทุกยากลำบากอีกต่อไปสอนใจให้นักแน่นอย่างนั้นเดี๋ยวลงมือทำกันจิตมันอยู่ในที่ต่ำผมเคยอธิบายมามันหน่มองเห็นอะไรเห็นแต่ตัวของตัวเท่านั้น จะคิดเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจของสัตว์อื่นจะเห็นคิดกว่างขวางอะไรมันคิดไปไม่ได้เหมือนคนอยู่ในหลุมในบอ่อมองเห็นท้องฟ้าขนาดฝ่ามือเท่านั้นแตคนขึ้นบนหลังเขาสูงๆห่ะมองไปที่ไหนมองในไกลก็ไม่มีอะไรปิดบงัง ตาของเขาคนอยู่ในบอ่อลึกมั น, นีขอบองบอ่อกีดกันเอาไว้จิตใจขอปพวกเราที่นี่ที่เหลือตัญหาแขกเขาขอทานองเดียวกันมันอยู่ในที่ต่าจะมองฮอาจหาธรรมมันลาบากแต่พายายามปีนขึ้นจากบอ่อปีนขึ้นจากหลุมขึ้นได้เลยจะเห็น ส่งฟ้าอากาศมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนพยายามปอะเพื่อปฏิบัติตัวของตัวให้จิตมันเดินไปสู่อาจสู่ธรรมอยาให้มันไหลลงไปสู่ที่ตักเมื่อจิตเดินขึ้นไปสู่อาจสู่ธรรมแล้วความเห็นความเป็นความสุขความสบายความเยือกเย็นเป็นอย่างไรเห็นไปทุกระยะ แต่พอไปโดนเรื่องเสื่อมเข้าเดี๋ยไปเสียใจยเป็นทุกข์นั่นไม่ถูกที่ถูกต้องตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างไรปฏิบัติไปไปคิดถึงของเก่าที่ผ่านไปแล้วหมดไปแล้วมาเป็นอารมณ์ของใจอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ความอยากมันเป็นอะไร ไม่เฉตันหาหรือมีความอยากอยู่จิตมันจะเป็นไปได้ทําไมจะรวมได้อย่างไรเพราะมันอยากมันยังไม่อิ่มหน้าที่นี้อย่างไรทําไปไม่ต้องบ่นไม่ต้องคิดถึงเรื่องที่ล่วงไปที่ยังไม่ถึงกําหนดที่นี้พิจารณาอยู่นั้นคนที่อยาก จะไปถึงนู้นอยากจะไปถึงนี่แตไ่ไปสักทีบ่นอยู่นั้นมันก็ไม่ถึงถ้าเดินไปไม่ต้องปาะถนาไม่ต้องวอยายจั่งแต่นาที่เดินไปเรื่อยๆมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้มีการปฏิบัติเรื่อ ง, งของใจก็ทำนองเดียวกันมันทานไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่สติปัญญาที่จะมาแก้ไขจิตใจของตนให้หายจากความขัดข้อง ความอยากส่วนนั้นมันเป็นขึ้นเองฟังมาจากคนอื่นมันเป็นเรื่องของคนอื่นมันจะต้องเกิดขึ้นจากตัวจึงจะเป็นสมบัติของตัวถ้าเป็นสมบัติของตัวแล้วแก้ได้แก้ใจของตัวเพราะใจมันเห็นอย่างนั้นมันเข้าใจอย่างนั้นมันไปจากอย่างนั้นแล้วมันจะไปหลงอีกอย่างไรเพราะตัวของมันสัมผัสแล้วในริงเหล่านั้น ถึงจะพูดไม่ถูกตามสมมุติตามบัญญัติตัวต่างา ม, มันก็รู้เหมือนคนไม่มันกินเช็ดเข้าไปมันเผ็ดมันก็รู้จักจแต่มันไม่ได้พูดว่าเผ็ดแต่มันรู้จักพอมันสัมผัสกระปรี้ดของมันฉันใดการประพฤติอัตประพฤติทำกับทำนองนั้นถ้าหากมันไปจากในตัวรู้จัก มันเป็นอย่างไรดีชั่วผิดถูกเมื่อตัวดาเนินตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดได้รู้เห็นไปจากอย่างไรคนที่เข้ามาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติมาเข้ามาศึกษาอะไรจิตใจเขาอยู่ในตอนไหนระ ย, ยะใดคนผิดผ่านไปก่อนก็บอกได้ว่าต้องทาอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นในขั้นนี้อยู่ในระ ย, ยะนั้น เหมือน ก, นกันกับทางที่เราเคยเดินอยู่ทุกวันตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้รู้จับเขาเดินมาปฏิบัติมากเหมือนเขาเดินมามาถึงตอนไหนเขาก็พูดตอนนั้นถ้าหากพูดถึงจุดหมายอันเดียวกันมันก็หมดเรื่องถ้าหากเขายังสำคัญว่าที่นั้นเป็นนั้นที่นี้เป็นนี้ เราก็พอตอบถูกไว้ไม่ใช่หรือใช่พอเราไปก่อนผ่านไปแล้วหมายถึงจะสอนจะแนะคนอื่นจะสอนหรือแนะคนอื่นหรือไม่สอนนั่นก็ไม่ขาดทุนศุนกับำไรอะไรมันไม้มีอะไรที่จะได้จะเสีย้าจิตถึงที่จิต ด, ดีเด่นจริงจัง แค่หมดเรื่องใหญ่เขาสัน่นแล้วเสินชมเชยก่เป็นลมปากของเขาเขาดีใจก่เป็นใจของเขาเขาเสียใจก่เป็นใจของเขาเราจะมีการดีการชั่วอย่างไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องความบริสุทธิ์ของขาพคงเส็นคงวาอยู่ตั้งแต่วันรู้จนกระทั่งวันตายหรือวันนิพพาน จะเข้าสี่หรือไม่เข้าที่ไม่เป็นปัญหาจิตฉี่ชำระซักฟอกหมดทุกอย่างแล้วสะอาดอยู่อย่างนั้นไม่มีตกปกห่าปุดถึงความสะอาดปุดถึงส ม, มุทรรู้ระจับเฉพาะตัวความอยากหมดไป ที่หมดความอยากหมดทุกทำอย่างไรซึ่งจะหมดความอยากได้ขอขอพี่นี้พี่เจรนะให้รู้เห็นตามเป็นจริง